วันแรกก็ดินมากหน่อยนะเดี๋ยวจะลองไปจะลองมามัน right? ก็เ I ข mean, ้าที Support, ่เข hmm. ้าทางของมันเองแหละนะการเปไงบ้างวันนี้สวยไหมเราข้่วงยังมีอยู่ใช่ไหมมาอ่ามาเนียนขึ้นจริงถ้าเราเกะก็ขี้เกียจปรับนี่นะถ้าเราขยันปรับหน่อยมันก็ไม่มาแล้วแต่ที่มันมาได้เพราะเราขี้เกียจเกียรที่จะปรับมันนัะนแล้วก็ไปกับมันบ้างธรรมดาก็รู้สึก ได้ง่วงสนอนก็มีเลี้ยวมีแรงนนะีได้ตอบสนองมันหน่อยโ okay, no? อเคเนาะกาพาวของกัน